ใหวานใส่ป่าใส่ดงใยหวานใส่ลานห็นข้าวมันก็ไม่งอกไม่งามต้องหวานลงไปเนื้อนาคือศรัทธามีความเพียรมาน่ำฝนชุ่มฉ่ำอยู่เสมอข้าวปลูกพันดิดีหวานลงไปเกิดมักเกิดผลเต็มมัก เต็มหน่วยเต็มมรคเต็มผลแล้วก็อาศัยการดูแลการพวน ด, ดินใส่ปุ๋ยคือสมาธิคือปัญญาอย่าอ่อนแอสมาธิหมายถึงคันธาตุคันไถสามารถพลิกหญ้าลงไปเก็บไว้ใต้ดินหญ้าก็จะเกิดปุ๋ยสมาธิ ยากอยู่ตรงไหนทุกอยู่ตรงไหนพิกมันลงไปลำบากเป็นยังไงพิกมันลงไปอั น, นวันนี้ชาวนาเขาก่อนได้จะปลูกข้าวเขาหว่านถั่วเห็นไหมทางไปแจ้งครอถั่วเขียวเต็มทุ่งนะอ๋อถั่วงามเขียว แล้วเขาก็ถอยพริกถั่วลงไปต้นถั่วลงไปใต้ดินถั่วก็ไปเป็นปุ๋ยหวานข้าวลงไปข้าวก็งามนาล่องไหนแปลงใดท่หวานถั่วลงไปก่อนหาเม็ด ร, รีบไม่ค่อยมีได้ผลเคยไปดูที่กุชชุมจังหวัด จ, จะโทอร ที่นั่นเขารับผิดชอบผลิดข้าวคุณภาพสูงคนให้บริโภคมีลงสีด้วยเขารับผิดชอบเขาผลิดข้าวไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่สารเคมีเขารับผิดชอบไปกินก็แซ่บไปกินข้าวกุดชมแล้วมากินข้าวบ้านเรานะ่ต่างกันมากมาก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 มีความทนก็ถือว่าขันติบา ร, รมีการสร้างบาลมีความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งในความอดทนก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าขาดความอดทนเช่นหน่อยแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ต้องสู้งานสู้กา ร, ส, การสู้การปฏิบัติทอมังคนพายเรือข้ามฝาก ต้องทอต้องพายไปยนั้นนะแต่ไปเจอแปลวน้ําไปเจอคลื่นก็ต้องมีจังหวะงัดท่ายให้ดีๆตั้งหางเสือให้ดีๆเพื่อจะไม่ตกต่ําลงไปการสอนตัวเองก็เหมือนกันนะทั้งเขาทนก็ทนทั้งเขาอดก็อดทั้งเขาอยากก็อยากทั้งเขาง่ายก็ง่ายเขาสุขก็สุขทั้งเขาทุกข์ก็ทุกข์ งเรานี่เพื่อให้เราได้ลุยมันแต่ชีวิตเราไม่ผ่านถึงเราเนี่ยมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงมันต้องผ่านแล้วการศึกษาเนี่ยจะศึกษาอะไรก็ตามถือว่าศึกษาเนี่ยต้องลูกต้องลูกบุญลูกคุณบุญคุณที่เราควรจะลูกคือครูอาจารย์บิดามันดา ใครจะลู้อะไรก็ตามถ้าไม่ลู้บุญลูกคุณเรื่องแน่นะถือว่าไม่ใช่การศึกษาเช่นพอเราปฏิบัติไปพอเราปฏิบัติไปเห็นทุกข์เห็นความยากลำบากก็ไปคิดถึงข้อทั้งแม่โอ้ความตาล่วงเลยพอพอรู้จากลูปรู้จากนามคิดถึงหลวงปู่เทียน อโทหลวงปู่เทียนนะเลยมาสอนฉลาดน้องหลวงปู่เทียนสอนให้คนรู้ตัวเองก็มีศีลมีสมาธิขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาคิดลักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์เคารพรักศาสนามันไปทางนี้นะการปฏิบัติธรรม มองไปเป็นกระแสไปเลยเห็นจงปงเห็นพ่อเห็นแม่นะเศรษัยนีพ่อตายไปก่อนถ้าพ่อไม่ตายจะไปสนพ่อหรือแต่แม่นะก็ไปสนแม่จริงๆผมก็เทียนก็บอกลงปูเทียนหลวงปู่เทียนหลวงปู่จะใช้อะไรผม หลวงพ่อมีสิทธิใช้ได้อย่างเต็มที่อ่าบอกหลวงปู่เทียนแต่วันนี้ก็ยังํำงานเป็นที่หลวงปู่เทียนบอกถ้าทำอย่างนี้มันเป็นความจริงปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นจริงก็ไปสอนคนอื่นให้เขารู้เหมือนกับเรารู้ตรงนี้แหละสำคัญแต่ใครไม่รู้สอนให้เขารู้นะ่ะเป็นบุญมหาศาล คนที่โกรธไปสอนเขาหายโกรธคนที่ทุกข์ไปสอนเขาหายทุกข์เนี่หน้าที่เราต้องทำามานี้ต้องขนส่งต้องขนส่งตัวงานของเราเราจึงต้องปฏิบัติอย่าไปลีลรอรออย่าไปมองนอกตัวอ น, นุดเปนน็นนี่เป็นอย่างโนด น, นั้นก็ไปดีอันนี้มันดีฉันชอบอย่างนั้นฉันไม่ชอบอย่างนี้อย่าไปมองแบบนั้นจริงแล้วนี่อย่าให้มันขวางกัน้นมีสติลงไปอะไรก็ตามเข้าข้างความรู้สึกตัวฝึกตนบัณฑิตต้องฝึกตนช่างถากก็ย่อมถากตรงไหนที่มันคดมันงอดัดลงไปให้มันตรงช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศรให้มันตรง บัณฑิตก็เพียรพยายามฝึกตัวเองถ้าไม่ฝึกตัวเองไม่ชื่อว่าบัณฑิตจะจบปริญญามาขนาดไหนก็ไม่ชื่อว่าบัณฑิตบัณฑิตคือฝึกตนมองตนเหมือนกับส่องเอาในกระจกถ้าใครรู้จักโทษตัวเองนะดีมากจะไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษสิ่งอื่นแม่นคนอื่นตำแหน่งเราเราก็มองเรา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 ทำอไรก็เป็นคนที่น่าให้อภัยแต่มองเราเห็นว่ามันผิดขาดตกบกพร่องมองอู้ยเห็นโอ้ยขอบคุณเขาขอบคุณเขาผู้ใดขี้โทษแล้วผู้ใดขนาบแล้วขนาบอีกขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดโอ้ยผู้นั่นคือผู้ขี้ผมซัำให้เราเหมือนพระพุทธเจา้ากล่าวกับหมูเหล่าภาษาโบกทั้งหลาย ว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดเราจะทำกับพวกเธออย่างไม่ทะนุถนอมเหมือนช่างหม้อที่ทำกับหมออ้อยังเปียกยังติดอยู่ผู้ใดมีเกล็ดก็ทนอยู่ได้ผู้ใดไม่มีเกล็ดก็ไปพระเจ้าอ่ะเนี่โอ้ลึกซึ้งมาก มันก็มีเกีนเหมือนกันาหน้าคนเรานะอย่ามีแต่มอกมไม่ทนมอกมไม่ทนผอะไรมีแกียจึงจะทนอยู่ได้โจสาโลโสทัตสตินี่ใครหานี่ใครหาหงอาดัลทาาาัพวะขาไหมไปไปหากไปไปหังอนาาาัลทัพวะขาไหมโยสาวโรโสทัตสติถ้าเป็นบาลีเขาก็พอนะพวกเรา ผมก็ไปน้ำหนาวเมื่อคืนไปนอนน้าหนาวไปดูผู้คนไปดูผู้ไม่ประเทศเขาไปดูเพระสงฆ์ไปดูความยากลําบากก็เลยเห็นอะไรอะไรมันก็ไปเหมือนสุกตัวบางอย่างก็เหมือนกันเข า, เากดขัดขา ด, ขาดขลากลางกลางให้นอนแต่เราก็ไม่กดไม่มุ่งถือไปด้วยเห็นกดเขาขาดเด่น เ, เขาก็เลยไม่เอากลับมาเลยมอบให้พระเทนันใช่เลยเออบางทีมันก็เห็นด ก, เ, กนเห็นใจเห็นดกเห็นใจน้ำก็ไม่มีอาบเหมือนกันกับพวกเราบางครั้งพระทรรมก็จะไปตักน้ามาให้อาบบอกแล้วไม่แล้วไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมจะช่วยตัวเองขอให้ผมเลยช่วยตัวเองแล้ก็ ขยนันกขย้อนเด้เ อ, อผมจะไปทำไมแล้ว เ, เขาเยอะขอขอขอขอย่าไปคือเรามองเห็นมองเห็นตรงไหนห่ะมองเห็นน้าที่เขาเอาทําเป็นอ่างไว้บันไดแต่ว่าไม่ใช่อ่างเล่นน้อยนะอ่างใหญ่พอสมควรสักสองสามเมตรนั่นแหละมันใสสําหรับขล่างเท่าล่ะสังเกตหรแต่ว่าดูน้ํามันใสกว่าน้าวัดป่าสุกโตนะ ก็มองเห็นเท่น่ะนะไปไปไปคนกลับไปคนกลับไปหลวงพ่อจะช่วยตแทงแล้วไล่เขากลับไปแล้วก็ถือโอกาสอาบน้ําใต้บันไดเลยโอ้ดีมากเลยนะสบายเลยแล้วคนไปเห็นเอ้าวพระผีบา้าโอ้ก็อาบน้ำํำล้างขาเขาเนี่เลยแต่มันสะอาดนก็ไม่ใช่บาตอย่างรู้จักอาบน้ําดีกว่าไม่อาบแต่ไปตักไม่รู้จะไปตักตรงไห น, นมันํามันมึด วัดเขาก็เป็นป่าเป็นตรงไม่เก้งไม่กวางเออดีเหมือนกันถ้าจะมาเปรียบเทียบกับวัดบ้านเราก็เออยังพอพออ่าบางทีก็อย่างกติคนไขวันเนี่ยก็ไม่เคยดูแลตรงนั้นเลยเมนถึงเลยอ๋อไขวานไปพักอยู่ตรงนั้นโอ้ยอายเขาเลยหลวงพอ่อ พ่อไปดูเนี่ยม็นไปทั้งห้องทั้งกะติเลยน้ําพเปิดออกมาขังไว้เป็นคำเหลี่ยมยาบๆเรียกว่าสีใดสีใดล่างก็ไม่ออกประตูํำนักปฏิบัติธรรมสุขโตเนี่ยป่านนี้โอ้ต้องขออภัยบางครั้งก็ดูแลไม่ทั่วถึงมีอะไรก็บอกกันแก้ปัญหาบอกกันถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ พร้อมที่จะช่วยอยู่เจ้าหน้าที่น้ำคือจานหัวนแต่ทุกท่านนั่นแหละอ่าถ้ามันน้าไม่มีก็บอกมีเจ้าอาธิการเจ้าอาธิการครังเจ้าอาธิการคลังเจ้าอาธิการเสนาสนะเจ้าอธิการอาหารเจ้าอธิการเสนาสนะอาจจะเป็นทันซูลินเนาะถือกุญแจ แจกกติให้อาคารตุกะที่มาพักเจ้าอธิการอาหารก็จะเป็นแม่คีเจ้าอธิการขังผ้าไต ย, ยาปัจจงปัจจัยอาจจะเป็นอาจารย์ตุ้มไปเชิญเอาหน้าหากติมันรั่วปิดไปได้กุณแจเป็นยังไงบอกเจ้าอธิการอาธิการใครละ่ะเมย์พัดกนันนะ มีพระอนุ์ประกาศให้สงทราบว่าถ้ากติไขรั่วหลังคารั่วหน้าต่างประตูเปิดปิดไม่ได้ก็กรุณาบอกพาะอนุนพระอนุนจะยินดีไปทำให้ให้วันกันิมิตสมัยก่อนซ่อมแซมเสนาสนะทุลหน้าที่ร ก, กิจสงผู้เอากิจเอาการเอางานของสง ของผู้อื่นไม่ใช่เรื่องของเราแต่เอางานเอาการช่วยคนอื่นเขากระตือโดยร้นเรื่องนี้สมัยหก่อนบางทีเจ้าธิการย่อมผ้าจันตุ่มทำาลงย่อมไหมจะไหมก่อ น, ก, อ น, อ ก, อนก็มีพระอนุรุทธะผ้าเจวอนใครจัดซักจะย่อมก็บอกพระอนุรุทธะ าท่าเนี่ปนแก่นข น, นุนนแก่นเปลือกเคงเือกเมียดเปลือ ก, อ, ก อ, อะไรนต้มแก่นขนุนนี่นแหลกๆาก็มาต้มต้มเคี่ยวเคี่ยวเอาน้ำตะแก่นขนุนสัก2อกิโลเอาน้าใส่เครื่องปิ๊บ ต้มต้มจะมันแห้งเหลือแต่เหลือแต่แตะกอนเหลือแต่เอาไปกองเหลือแต่แตะกอนสีเหลืองๆเราเอาไปย้อมก็จะได้สีไปย้อมผ้านะอนุรธาต้องปั่นปืนต้องต้มลงย้อมต้องเปือยกายได้ไม่ต้องห่มจีวรมันร้อนย้อมผ้าให้ หงนันยอมผ้าให้องค์น่ใช่ไหมก่อนผ้า ข, ขาดก็ต้องสอยไม่มีจักเก็บเหมือนทุกวันทุกวันนี้ไม่ได้ย้อมเลยผ้าไม่ได้ย้อมเลยสีมาตรฐานเสื้อมาตั้งแต่เสื้อจนขาดไม่ต้องย้อมเลยแต่ว่าผ้าวังสกุลแต่เน่ก็ยังมีคนใช้ผ้าย้อมอยู่ก็ไม่ใช่ผ้าบังสกุลแต่เป็นผ้ามาตาจีวรเขาก็ผ้าขาว หมอตัดแล้วเขก็ย้อมเดือนละครั้งสองเดือนครั้งก็เพึ่งไม่ได้ย้อมผ้าเพียงยี่สิบปีมานี่แหละแต่ยี่สิบปีก่อนต้องก็ย้อมเหมือนกันสมัยก่อนไม่เจริญเปือกเข็งสมัยก่อนนิยมสีหลังตะขบับสีหลังตะขบับสมัยก่อนลูกศิษย์หลงโพเทียนเจ้าในะจังหวัดเลยผ้านุ่งผ้าสีหลังตะขบับ ต่อมาต่อมาประชมุมกันใหม่สีแก่นขนุนมาเนะี่ยแก่นขนุนมาหาง่ายเขาผิดไม่ต้องย่อมเขาผิดมาเขาถวายเยอะเขาถวายเยอะเอาไปมาก็หาได้ง่ายก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีแกน่นแก่นขนุนแต่ก่อนก็สีหลังตะขาบสีแดงแดงเข้มๆอันนี้ไม่ต้องย่อมสีแก่นขนุนต้องเอาเปลือกเข็ง เปือกเค่งต้มดีๆใส่ใบขามใส่สารส้มย่อมในใบไม่เจ้าทิการนั่นก็ตามทาเลในก็คือคิดช่วยเหลือกันนั่นแหละช่วยกันช่วยกันพวกเราในวันพวกนี้จะมีนักเรียนมาสองสามร้อยคนอาจารย์ฤเทพก็ไม่อยู่อาจารย์สงสินก็ไม่ดูแต่ถ้าพวกเราอาจารย์ตุ่ม ให้ใครเป็นวิทยากรพวกน้อบรมนักเรียนสามวันเลยเต็มเลยละนักเรียนวัดภูเขาทองก็เต็มสุข โ, โตก็เต็มหลวงพ่อไม่รู้จะไปทางไหนกันแน่ภูเขาทองก็ในมณไปสุข โ, โตก็ในมตฑสอ น, อนเอาที่นก่อนละพวกน้นะช่วยกันพวกเราดูงามดูไปตื่นก่อนนอนหลังเขา เวลาเขาใช้ห้องหน้ามั่งส่วมพอเขาออกไปแล้วเราต้องเข้าไปดูอีกทีหนึ่งมันปิดหน้าไหมปิดไฟไหมให้เขานอนแล้วค่อยไปดูค่อยนอนพวกเราถ้าไปนอนก่อนเขาเจยบุกคลองหน้าไหลตลอดคืนเปิดไฟจ้าตลอดคืนแล้วก็เส้นเปลืองพลังงานน้ามันก็แพงอ่าไฟฟ้าก็สูงขึ้นเมื่อมาวานเน่หลวงพ่อ ลดน้ําต้นไม้ที่สารหน้าโยมมา ท, ทำไมหลวงข้อทําไมไม่ใช่สเปงเกอรเ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวประหยัดซะหน่อยถ้าใช้สปเปงเกอร์มันต้องเสียค่าไฟถ้าเขาหวัวเลาะเออก็ว่าเล่นไปเฉยๆอะไรก็แพงหมดแล้วทุกวันนี้น้มันก็ขึ้นแต่พึ่ต่พื่งใช้อะไรก็สํารวมพวกเราก็พุ่มเพิ่มพุ่มพวยนอนให้อิม่มกินให้อิม่มอย่างอื่นเอาไว้ อย่าเพิ่ง เ, เ, เฟ้อพ่มเฟือยใช้ไฟใช้น้ำรู้จักสำรวมละมัดระวังใช้ปัจจัยสี่ตามมีตามได้อย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าเบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนที่เกียจทำตามอย่าเทยอเทยยานยากในกรรมคุณถ้าใครหลงอยู่สภาพเช่นนั้นไม่เจริญตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นโชคนะ ในโลกนี่นไม่ใช่เราอยู่คนเดียวมันต้องสู้แต่ต้องสู้จกิงโลกทุกวันนะมันแสบเผ็ดถ้าใครไม่เก่งก็อยู่ลาบากถูกโลกทับถมได้ง่ายฝึกเอาไว้วิทยายุทธวกเราถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่มีคุณภาพอะไรๆก็ตามก่อนที่จะมีคุณภาพต้องฝึก ซ่อมตนเองซ่อมกายซ่อมใจปรับกายปรับใจโดยเพราะการวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลุยพอสมควรพอทำปั๊บของงอแงหอนอนยากปวดหลังปวดเอวเมวื่อยล่ะบางทีอยู่ดีๆพอทําลงไปก็เค่ําเครียดคิดมากพุ่งเลยนั่นแหละเขาให้เราฝึกมันมันเกิดเพื่อนเพื่อให้เราฝึกเราจะหลุดไปตามมันง่ายๆ เห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราก็ได้สอนตัวเรานะวิชากรรมาฐานเป็นวิชาที่สอนตัวเรามันมาโผล่มาแ ย, ย่ใดมุมใดเพียนพยายามลู้พอทนก็ทนแต่มันปวดมันเมื่อยก็ทนสักน้อยแต่มันชิดไรมากก็ยดมันสักน้อยแับมันเบื่อก็ เปลี่ยนความเบื่อเป็นความปกติมันมาให้เราเปลี่ยนมันเป็นงานเป็นการเหมือนเราฝึกวัวฝึกควอยเทียมขัดเทียมไถแต่วัวบางตัวควายบางตัวเนี่ยไม่เอางานเอางานเขาก็เอาแอกเอาท่อนไม้เอาท่อนไม้ผูกเชือกแล้วก็ไปผูกคอมันให้มันลากท่อนไม้ไปกินหญ้าทั้งวัน ลากไปตามโคกตามป่าไยจินยาไป ล, ลากไปอย่างนั้นตอนเย็นก็ลากมาเข้ า, ขาโอกโคกติดคอมู่นสองวันสามวันเออไปมามันก็รู้จักเอางานเอาการแต่พอทำไห ม, ม่จับใส่กลอใส่เกลียนมันนอนไม่เอาเลยประยุ์ไม่เอานอนไต้ก็ไม่ไปอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปบงังคับมันเอา ท่อนไม้มาผูกเชือกติดคอมันไว้เดี๋ยวมันก็ลุกไปขอมันเองแล้วมันก็ลุกไปอย่างกิ่งไอ้มันลากท่อนไม้อยู่สามวันสี่วันเอาไปมาพอามาใส่ลอใส่เกินนก็ดันไปได้ไปนะรู้จากดัดรู้จากสูบไปเขนเขาฝึกมาพยศอยู่ที่ประเทศพม่าแตาว่าตัวไหนมันพยศมากเ้าก็มีอย่างสนามฝึกมาเขาน่ย สุดช่วงหูชตาเขามีประตูเดียวไม่ที่พักพวกฝึกม้าทั้งหลายก็เป็นนั่งอยู่ประตูออขับฝึกขี่ได้ก็ขี่ไปตัวไหนที่มันประย์ก็มีรอย่างเป็นอย่างล่อแบบอย่างช่วยกันจับแล้วก็มัดใส่คอมันม้าก็พราววิ่งเวงเ่ะไม่หลุดเลยนะโรดโลดเต้นขนาดไหนล่ออย่างก็ไม่หลุดจากคอมัน วิ่งไปจนมองไม่เห็นมันไกลลิฟสนามฝึกมากหนึ่งวันสองวันมันก็กลับมาเลยเดินพาลอดเดินต้อยต้อ ย, ต, อ ย, ต, อยต้อยมาเจ้าของก็ไปจับออกเราก็ฝึกแบบนั้นก็มั้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสารถีฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าฝึกผู้คนพระพุทธเจ้ายอดเยี่ยม อนุตตรสมมาสอัอนุตตรปริสัตธรมสาลติสทัทธาเถรวัฒนุสระหนังพุทโทธภวติเป็นผู้ฝึกปุรุษสรัติถิฝึกปรุษไม่มีใครยิ่งกว่าพวกเราเนข้อมาให้พระพุทธเจ้าให้ได้นิสัยอหังบันเตนิสัยอย่างยาจจะไม่ขอเนิสัยตั้งแต่วันรลบวันทุติยปีหังบันเตนิสัยองยัจจะม่ตัดติยปีหังวันเตนิสัยแก่ไม่ข้าพระเจ้าจะข อ, อนิสัยจะหัดนิสัยตาม พระพุทธเจ้าตามพระธรรมวินัยเลก็เป็นภาระเอาภาระต่อกันเลยกันภาระของเราก็ต้องศึกษาภาระของผู้ที่จะพอบอกสอนก็ต้องบอกต้องสอนต้องเอากันอย่าปล่อยกันทิ้งช่วยกันปลูกกันลุกขึ้นมาทำวัดทำวาไปจินไปฉันเออทำวัดเวลานั่นเออไปฉันเวลานั่นไปเป็นธบเวลาานั่น เท่ากันมีพี่เลี้ยงทำไมหลวงพ่อไปปฏิบัติมีผู้เท่าอายุแปดสิบปีเป็นพี่เลี้ยงเชินไปโน้นห้องึงเข้าแล้วไปเข้าไปในป่าบนห้องเราก็อยู่เส้นทางหนึ่งเราก็นั่งอยู่เส้นทางเดินอยู่เส้นทางห น, นนหนึ่งใกล้ๆกันพอดีเดินเหนื่อยเราก็มานั่งนั่งแล้วหลวงพ่อก็เคยฝึกสมาธินั่งนิ่งๆ หลับตามันเคยคิดแบบนั้นก็นั่งสงบอยู่ข้อใหญ่ก็มามายืนบอกอย่านั่งอยู่สงบไหมยกมือสั่งจังหวะน่ะสั่งสติแต่นั่งสงบมันบรไดิสติด้ยกมือ ส, ส, สอั่ ง, งจังหวะคือหลวงพเทียนสอนกอบ่อยยกมือสั่งจังหวะเวลาใดที่นั่งอยู่เแน่งแน่งข่อยจะมาบอกบริสิทธิ์บริสิทธิบริสิฝึกอันนี้กอดอันนั้นเอาไว้จะกอด โอ้ยถ้าพอมีพอใหญ่เมาเนี่ยก็คงใช้เวลาเยอะกันสู้กันพ่อใหญ่เมาก็พอสอนเป็นพี่เลี้ยงยังเห็นบุญเห็นคุณแต่ว่าท่านเสียชีวิตแล้วก็เลยเอาศพไปเมอบไ ป, ไปลงรงพยาบานขนแก่นพากันไปสามารถสมัยปีทางวัดโมกใหม่ๆปี514ก็เลยเอาศพไปมอบให้ลงคพยาบาน ชวนพ่อยาเมาชวนพ่อยาเมาไปเคยเมาก็อมอบศพเหมือนกันพอตายแล้วก็เอาศพพ่อใย่เมาไปลงไยาบานเศรษฐีบ้านไหวยวันไฟพ่อย่เมานะเอ้ยเขารบท่านแม้แต่ได้ยินชื่อก็ยังเขารบท่านอยู่เห็นบุญเห็นคนท่านมาบอกมาสอน เวลใดที่นั่งหลับตาไม่สร้างจังหวะนั่งสงบ่านจะมามอกทันทีสมัยหนึ่งก็แต่ก่อนราก็เป็นเป็นหมอเขียนยันสักให้คนเขียนยันเอาขนาดไหนงามเลยแล้วก็ศักเป็นรูปยันต่างๆกลัวว่ามันจะลืมก็เลยเอาปากกามาเขียนยันเขียนสวย พอดีพ่อใหญ่เมาเดินมาเฮ็ดทั้งลานอะ่ะหลวงพ่อก็ยกกระดาษที่เขียนยันเย็นให้พ่อใหญ่เมาดูว่าจะอวดพ่อใหญ่เมาพ่อใหญ่เมาจับได้ยำๆไปเลยไม่ดูให้สักหน่อยเลยเอาไว้เอาไว้เอามาประกากระดาษก็บอกแล้วก็หลวงพ่อเขียนยันสองสามภาพเขียนใส่กระดาษว่าจะอวดพ่อใหญ่เมาพ่อใหญ่เมาไม่ดูเลยกำยองไปเลย โอ้แต่ ว, ว่าจะอวดพ่อใหเมาพ่อใหเมายองมดมาคิดโดยทั่ววันนี่โอ้ยเรากลัวนึกว่าเราฉลาดตีแท้เรามันโง่พอเห็นพ่อใจเม า, เม า, เมาขย่หลายยันของเราที่อุดใส่เขียนอย่างเดีอืมมันเป็นอย่างนั้นพ่อใจเมาเลยอู้ช่วยเราเราจะรู้สึกยังไงถ้าเป็คนไปทําอย่างนั้นนะบอที่เราอาจจะไม่พอใจบังคับกันเกินไป ไม่รู้อะเป็นยังไงพ่อใหญ่เนี่ยคิดไปแบบต่างๆนานาเราก็ทูนกระแสทูนกระแสยอมรับครึ่งหนึ่งไม่ยอมรับครึ่งหนึ่งแต่อัดอัดตัวเองเราก็ดันว่าเราทําถูกเราเคยทําแบบนี้พ่อใหญ่เมาดึงเราไปแบบนั้นโอ้เสาขัน อ, อ, อยู่ด้วยกันจำพรรษาจะเป็นเพื่อนกันยิงเกงกับ พ, พ่อใหญ่เมา ตอนอายุ78สีย ป, ปีเราไปตอนนั่งอายุ30 ป, ปีเขียนข้าวด้วยกันเวล่าฉันข้าวเพระฉันเสร็จแล้วพระฉันเสร็จแล้วเขาก็รวมอาหารใส่พาไว้ให้เราแม่คีรวมอาหารจากพระจากแก้วจากแม่คี้บ้างใส่พาไว้เอาของค ว, ว่ำไหว้แล้วก็ตีละครังแบงแบงแบงแบงแล้วก็ พ่อใเมากัไปเรกเราไปไปบันทีละครั้งแล้วบางทีแม่คีก็นั่งเฝ้าไว้เดี๋ยวแมวหมามันจะขึ้นไปกินข้าวก่อนแม่คีก็ขวดไต่ถนนสลาเล่นรอเราอยู่พอเราขึ้นไปสลายแม่คี้ก็กลับกลับที่พักแล้วก็ไปทานอาหารกับพ่อใหญ่เมาสองคนทานแล้วพ่อใหญ่เมากับร่างถ้วยล่างชามบอกไห้ล่างพ่อยเมาก็ยังล่างช่วยกันนะนะ ช่วยกันช่วยกันช่วยกันถ้วยล่างชามเจ็บไว้ไม่เหมือนกับพวกเราทุกวันนี้นะแต่มื่ก่อนต้องฉันข้าวหลังพระเป็นโยมก็พุทธยานนะวัดป่าพุทธยานเป็นวัดแรกที่หลวงปู่เทียนเริ่มเผยแผ่ธรรมะโอ้ยเสียดายพุทธยานสูญหายไปแล้วเรายังมีอดีตลำลึ ก, ล, กลึกอยู่พุทธยาน ภาพที่มันสะกิดหอยใจเราต้นขาขี้ปูเดินจงกมอยู่เทีนั่นกะติหลังหนึ่งทางทิศเหนือกะติหลังหนึ่งทางทิศ ต, ตะวันตกประสบการณ์กับการปฏิบัติธรรมชอบมากพุทธยานพุทธยานเขาก็เอาเป็นราชพัฒ์วิัยคูไปสมัยห้าร้อยสิสมสปห้ารยสิบสาสบสี่ เดินไปดูต้นขาชีหมูไม่เห็นเลยเราไถ่เท่งเขาปลูกอาคารเรียนเต็มไปหมดเลยเห็นแต่แท่งน้ำที่สร้างไว้คติจารสมหมายยังเขายังไม่ทาลายอ่านพวกเราเนี่ยมีอะไรที่จะมปลิขิตจิตใจเราบ้างหรือเปล่าที่อยู่สุขโตนะมันเปลี่ยนแปลงไหมชีวิตมันยากตรงไหนมันง่ายตรงไหนมันผิดถูกอย่างไร อดีตล้ำลึกมันมีนะปฏิบัติธรรมเคยผิดเอยถูกมันลืมไม่เป็นมันเหตุจริงๆกับต่อหน้าต่อตาเรานะปฏิบัติธรรมไม่ใช่คิดเห็นได้แก้ความทุกข์ได้แก้ความหลงแก้มิจฉาทิฐิให้เกิดสมาทิิมันเป็นรอยหวัวใจเรามันต้องเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมใจรุนดุนเราเราคำนึงคำนวณ อย่าเพิ่งไปไปฏิเสธทำอะไรออไม่รู้ละไปอยู่แล้วเดือนสองเดือนไม่รู้อะไรก็อย่าเพิ่งไปว่าบางทีเราทำวันนี้อาจจะรู้ข้างหน้าเหมือนคนไปหาหมอโรงพยาบาลอาทิตย์ที่หนึ่งมันจะหายอยู่แล้วกินยาโรงพยาบาลแล้วก็หนีจากโรงพยาบาลไปหาหมอน้ำมนต์ขอหน้ามนต์ให้จินแวบบเดียวหายเลย อ น, นึกว่าตัวเองหายจากหมอนำมนที่แท้เราไปกินย า, านโรงพยาบาลโรคบางอย่างตรงอาทิตย์สองอาทิตย์มันจึงหายการปฏิบัติธรรมก่อนมันเป็นมรดกของเราตั้งแต่ปีกลายนี่แ ต, แต่เดือนก่อนโน้นมันมาเกิดใ น, นสงวันนี้เนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้อาจจะไปอยู่บ้านก็ได้แต่ยาประมาทยาเนยแล้วขุณความเพียรของเราเหมือนหมาป่า อยากกินลูกมะม่วงมะม่วงต้นนั้นมันบอลแล้วก็ไปนอนมันเคยไปกินทุกวันมะม่วงมันหล่นลงมาแล้วก็ไปกินทุกวันบันนั่นไปไปล้ออยู่วันหนึ่งไม่ได้หล่นลงมาสักลูกเลยก็เลยประกาศกันว่ากูไม่อยากมั่งดอกมะม่วงลูกกูก็ไม่อยากเมียกูก็ไม่อยาก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 ลูวมมาไม่ร่วมก็หลนของมันถ้าเขามันไม่หล่นมันก็จะไม่ล่วมหมามันโกรธอะไรมันไม่รู้บางทีปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจย่าตีโพยตีพายน้อมๆใจเอาไว้เป็นบนุญปุเพกะตะพญิาตาบุคคลพูดทำบุญไว้ใน ป, า ง, นนนปางก่อนมันมีบุญปางก่อนมันมีวานก็มีปีกา ย, ายก็มี ความดีความชั่วมันาจจะต่อมาต่อมาความชั่วก็มันเกินแม้แต่น้อยก็จะประมาณความดีก็มันเกินน้อยก็จะประมาณ